ทำกันเป็นส่วนประกอบกับการศึกษาของพวกเราหมายถึงที่นี่แล้วตั้งใจมากันทุกชีวิตพบกันกลางทางก็ว่าได้อะไรที่มันเป็นแปได้และเป็นไปไม่ได้เราก็มาพิสูจน์ร่วมกันดูก็ดีนะพบกันกลางทางแนวเพราะ ผู้โเจ้าไปพบกับทัพขีต่างทางลูกสาวช่างหม้อเดินทางไปส่งข้าวข้อพบกันกับผู้คนที่เดินเข้าวัดเชตตะวันพบฝันหลางทางถามกันขณะที่เดินไปด้วยกันลูกสาวช่างหม้อก็ลอยแวะไปเชตตะวันด้วยกับ หมูที่ไปฟังธรรม็นได้บรรลุเป็นพาาระหันได้ครบกำลั ง, งทางแค่นิดเดียวเลยไปส่งเข้าพ่อต่อไปนี่ก็ควรที่จะมีอะไรที่บอกที่ชวนทันบ้างเมื่อชี้เราก็สาธยายพระสูตรเรื่อง ฟังภาคเพียนชอบเป็นภาษาบาลีบ้างเป็นภาษาไทยบ้างอาจจะฟังมาค่อยพุ้นหูจจฟังบ่อยๆก็คินไปอเรา จ, จะสุมทราบ พ, พูดถึงจิตใจได้กา จ, จะพูดแบบง่ายๆก็ว่าในฉันทะต่อใจในการกระทำ ในงานของเราหน้อยการปฏิบัติของเราน้ความเพียรของเราในเวลานี้ให้มากให้มีฉันทะอย่าเบนไปทิศอื่นทางอื่นช่วยช่องสะบัดหูช่วยงูแหบนลิ้นก็ยังดีถ้าไปสนใจเรื่องอื่นไม่ใช่แล้วเราอยู่ที่นี่แล้วนี่ ว, ว่ามีฉันทะข อ, อใจแล้วก็ฉันท ะ, ะเฉยๆไม่ใช่ ต้องมีวิทยะความเพียรประกอบที่นี่เขาประกอบความเพียรกันเดินจงกรมสร้างจงังหวะผูกกายผูกใจของตนมีสติอา้ามันก็มีสติได้ขณะที่เราเดินจงกรมสร้างจงังหวะเอาลงไปเติมลงไปในฉันทะในวิริยะในสติในกิตเราใจใสอยู่เสมอ ไม่ทอดทุละเดินก็ให้รู้จากเตินยกมือก็ให้รู้จากยกมืออะไรที่เกี่ยวกับกายให้ลูกันแล้วก็ขบเคี้ยวอย่าซื้อบือ้อเวลามันหลงเห็นความหลงเวลามันลูกเห็นความลูกสมพัดเอามันมีความหลงก็มีความลูกก็มี ควาสุขความทุกข์ก็มีความผิดความถูกก็มีในกายในใจนี่จะให้มันปรีได้ถ้ามันสุขเห็นต่อควทุกข์เห็นมันพา ด, ดูสติต่างหากความสุขตังหากความทุกข์ต่างหากก็เล่นกันอยู่ด้วยวิมังสาบขบเคี้วยวเอาอะไร ผิดก็คือเราถูกก็คือเราสุข ก, ก็คือเราทุกข์คือเราอะไรต่างๆมันไม่ใช่ไม่เขี่ยวไม่ขบไม่สัมผัสอย่างลึกซึ้งเพราะนั้นเจ้าละเค เ, ละเคงเจ้าระเเคงมันกินอาหารเนี่ยมันไม่เขี่ยวมันตื่นข้าไปเลยคาบอันเดียวก็ตื่นลงไปเลยชีวิตของเราอาจจะเป็นเจ้าระเเค กเกินลงไปเุรก็จเกินลงไปทุกก็เกินลงไปทางประเพณีคนไทยเราทอดกรถินมีลูกอะไรบ้างประกอบการทอดกรถิ่นทอดาตะยไมีลูกจระเข้ใช่ปะมีลูกจระเข้มีลูกนางมัทฉาเรามาปากไว้ กินลงไปมันก็มีโทษมีประโยชน์อันคืนคนคืนอันขายออกคนจะออกเมื้นเราจินอาหารเชี่ยวอาหารการขบเชี่ยวคือเชี่ยวอาหารแต่เชื่อวไปถูกหินแล้วก็ขายออกอยากคืนลงไปแต่เชื่อวไปถูกกรโดกั้งแล้วขายออกมาการขายออกการคืนไม่มีใครบอก มันลูกจักเองสัมผัาเตาเองเหมือนเด็กน้อยได้หัดกินข้าวแม่ป้อนข้าวด้วยปลาบางทีให้เห็นก้านป้อนไปกับความเข้าลูกน้อยพอมาเคี้ยวก้างปลามันก็อ้าบากมันเอาออกไม่เป็นบางทีมันก็ไม่ออกมันบอกล่องหน้าปากกลอง บันที่มันคายออกมาทั้งหมดอบางทีมันก็รู้เอาออก อ, อกย่างแล้วก็คืนลงไปส่วนที่มันคืนด่าไม่ใช่ทั้งหมดมันเป็นผิดเอสัมผัสความผิดถูกมันเป็นถูกทุกมันเป็นทุกสัมผัสเราเขี่ยวแล้วเขี่ยวแล้วถอนออกแล้วว่าตาปีสังฌาโน ถอนออกมามันสุขมันทุกข์อยู่กับกายอยู่กับใจอยู่กับเวทนามันเป็นรถของโลกไม่ใช่รถของธรรมเป็นอกุศลถอนออกมาอากุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดแต่ว่ารถของโลกถ้าเราไม่รู้จักมันก็ไม่รู้จักถอน อ, อกมันสุขมันทุกข์มันพอใจมันไม่พอใจ นี่ถอนออกมานี่แหละคือความสำเร็จสมัยสอบรับธรรมงอถามตรงๆแบบไห้เขาถามเรื่องปัญหาคือปิดไว้ไม่เปิดเผยไม่เรามีปัญญาไหมเขาถามว่าในโลกนี้ตองการศึกษาเขาสำเร็จสูงเป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ดได้ อย่างเวลานี้ไข่วัดพันใหม่เขาวิสูจน์ได้เขาก็ลองผลิตวัคซีนส่งไปตามสถานีอนมามัยทั่วประเทศให้ทันเพราเขาวิสูจน์ได้มันเกิดจากอันนี้มันเกิดจากอันนี้นนนแต่ทางทำเนี่ยอะไรมีความสําเร็จบ้างทำข้อไหนที่ทําให้ทําสําเร็จทางวิทยาศาสตร์เขาวิสูจน์ได้แต่ทางทำเนี่ย อะไร ท, ทำให้สำเร็จได้ตอบมาให้มีหลักฐานจะตอบจากา้าอะไรทําให้สำเร็จในทางธรรมก็บอกว่าทางธรรมก็มีธรรมที่ทำให้เกิดความสำเร็จได้มีอยู่สี่ข้อหนึ่งนทะเอาใจสองวิทยะเพียนประกอบสิ่งนั้น 3. ามจิตตะเอาใจใส่ สี่ิบังสาติตองให้ดีในสิ่งที่เกิดขึ้นเลือกให้เป็นอะไรเกิดขึ้นสำเร็จได้อธิบายกขาบอกอธิบายจงอธิบายตอบเท่านี้ไหมพอ่อจงอธิบายจนันทบพอใจเช่นสามีปัญญาพอใ จ, อญญอใจที่จะเป็นสามีปัญญากันอยู่ตลอดเวลา ไม่เสื่อมคลายข อ, อใจลักกันทําหน้าที่อย่างดีต่อกันวิริยะเพียรประกอบต่อกันในธรรมกฎบีอย่าทอดทิ้งอย่าทอดทิ้งอย่านี้ไปทางอื่นวิริยะวิริยะเพียรประกอบทาหน้าที่ของตนจิตใจเอาใจใส่อยู่เสมอทำดีเพื่อลูกทำถูกเพื่อครอบครัววิบังสาตีตอง อะไรผิดอะไรโตกเพ้นสิ่งที่ผิดทำถิ้งที่ถูกก็มีความสาเร็จในปัญญาสามีได้ตลอดชีวิตบางทีลงตาไปบ้านเท่าไปเมื่อวานนี้เห็นผู้เท่ามาจำสินสามีมาจำสินปัญญามาส่งข้าวปัญญามาจำสิน มีสามีเท่าเๆามาส่งเข้าดีเ <c oughs> นาะนี่วะเพราะเพียมพอสยบต่อมแม่อ่อนเสียขีดไปแล้วต้องออามาเองเพือเดี๋ยวเด็ลูกหงสต่มตัวตึกแต่เดินถือมาพอแล้วเราก็เห็นเนี่ยโอ้นี่เนาะเจ้ามีฉันดาวิทยาิตดตาไม่มังสาแล ก, กันคงเส่นของหวาตล อ, อชีวิตจนเท่าจนเจ้าแล ก, กันถึงกระดูก แล้วต่ไปเก็บกระดูกคนหนังที่เขาตายฝ้าผ่าฝ้าผ่าตายแล้วฝังไว้ในไรของแล้วก็ก็วนไปขุดหลุมคนฝ้าผ่าตายเขาจะฝังยืนแล้วก็เอากระทะคุมหัวไปแล้วก็ดินถมแม่นบ๊อ <laughs> ไปขุดไปขุดเอาขุดลงไปขุดลงไปไปเห็นกระทะ สับกระเถาะไปเห็นไก่แล้วไก่แล้วออกผลลงไปกกทึกระเถาออกเป็นกระโหลกหัวที่แรกก็ให้โลกชายลงไปขดออเจอกระโหลกหัวกระโดดขึ้นหลุมเลย <laughs> กระโดดขึ้นไปไม่สู้กัวใช่แล้วไอพ่อจะเกกูกเอง๋งกระโดดลงไป ก็เห็นกองกระโดดกระโดดลงไปนั่งลงเอาผ้าเขามาเก็บกระโดกหัวของเมียของตนมาใส่ผ้าใส่ผ้าใช่ปะเนี่ยโดยที่มันถึงกระโดกแล้วลากกันใช่ไหมเนี่พอเทยกว่าจะเจ็บกระโดกเมียจะก็จะมุนเยอะกว่าเนี่ยนี่คือฉันทะวิยะจิตใต้บางสาเอาทำความเพียนเนี่ย มีอนไรบ้างอย่าไปซื้อบื้อชีบีกันแหนีในสวดมันก็ใช่ใจเสมอไม่ทอดตุวละนั่นก็นี่ยแหละเป็นหลักที่เราปฏิบัติเราไม่ใช่สวดเฉยๆสวดเรามันขูดตกตัวเองขูดตัวเองขูดตัวเองขัดเกาออกวันสวดนี้เป็นแงเว่าน้องตาไปฝังไปโมกที่วัดโพขาทองแล้วก็นั่งฟังพอสวดไปโมกจบ โอ้โสนุกดีม่วนซื่นดีเหมือนกับเราได้นั่งฟังคำสอนออกจากพระโอษฐของพระเจ้าเราฟังไปสิครับบทไหนบรรโขลเราบรรโขลเราบังโขลเราบคนโขลพระบางรูปนั่งเหงอนเอ้ยไม่มีฉันทะไม่มีวิเละไม่มีจิตตะไม่มีวิบังสาไม่สําเร็จเนี่ยก็เหมือนกันนะ นั่งฟังเป็นโมกสี่สสิบห้าสิบนาทีอาจจะไม่มีปรโยชน์เลยแต่บางรูปตั้งใจฟังเราทองวาเพียรไหนกายนุปัฏฐาเห็นกายอางคนออกกายไม่เป็ตัวเป็นตนปอยบางคนเห็นกายสักว่ากายไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนโลเขาเหมือนกับมันขูดออกขูดออกขดออกขดออเห็นเวทนา ถ้าเราซื่อบื้อก็สุขทุกถ้าผู้ที่มีวิมังสาต้องเวทนาสักเวทนาไม่ใช่จตุคุลตัวตนเราเขามัน ค, คูดออกเห็นจิตที่มันคิดไปโน่นไปนี่นก็นึกว่าเราทั้งหมดเป็นความสุขความทุกข์จิตใจความรักความชางโกรธโลภหลงเพราะจิตใจโอ้ เห็นแล้วเห็นแล้วอ๋อสาวะจิตไม่ใช่สัตว์อุกคนตัวตนเราขมขูดอกเอ้ยเป็นหลงเพระใจเคยผูกเพราใจเคยผิดเพราะใจเคยทุกข์เพรใจอ๋อมันเรียบเรียบเรียบเรียบแบบเหมือนกับขันขัดให้เหม็นเงาขึ้นมางองอะไรเห็นเหมือนขัดพระพุทธรูปพระพุทธรูปเศร้ามองขัดออกขัดออกหรือเนื้อทองเหลี่อมระยับไปเลย ก็ดีมากตอนก่อนหน่อยเหมือนไม่ชีวิตปิดทองพระพุทธรูปปางมารวิจัยสมัยเชียงแสนเลี่ยมงานอะไรเหมือนก่านะฮะมันแต่งได้เห็นอย่างแน่แล้วว่าฉันทาริยจิตตะวังสามันสำเร็จได้นะเพราะเราเพียรประกอบอย่าให้มันหลงฟีี ผิดผีผีถูกผีผีสัมผัสควมหลงความรู้ความทุกข์ความไม่ทุกข์ความโกรธความไม่โกรธมันตกกันข้ามมันก็กระทบกระทือนไปถึงนอ่นหลวงตาก็พูดในวันนั้นนะว่าจนถึงนู่นอ่ะจนถึงสมมุติบัญญัติวัตถุอาการการสัมผัสมันลืออนนล้อถอนว่ารื้อถอนจริงๆนะปฏิบัติธรรมนนะ ไม่ใช่เพื่อเอาไปจําไปถกไปเถียงไปโต้ไ ป, ไ ป, ไ ป, อ, ไปอะไรกันไม่ใช่เลยมันเถียงกับตัวเองมันเอากับตัวเองเนี่ยผิดก็เราเห็นมันผิดเห็นถูกก็เห็นมันถูกนะมันฟ้องเร า, าก็สาตุลาการปติเหมือนพิพากษาตุลาการความหลงตั้งอั่นความหลงความผิดความนั่นหลังเป็นจําเลยมันสู้ทําไม่ได้ทำย่อมชนะอารรมเสมอ เลือออกลื อ, อกออกลือกออกเห็น อ, อ น, นันพูดถึงอะไรพอจำได้ไหมสมมติบัญญัติวัตถุอาการต่างๆวตัตถุคือตาคือหูจมูกลิ้นก า, ชชายใจรูปโลจินเสียงอารมณ์เมื่อตาเห็นรูปมีอาการเกิดขึ้นมีความพอใจและความไม่พอใจ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 อันนี้เป็นเสียงคลางข้องไม่ใช่คล้องเพราะอาไปตีมันก็เลยดังแต่อย่าไปชอบเสียงมันอย่าไปไม่ชอบกับเสียงงานที่มันสุขวันทุกข์ก็มีเหตุปจัจจัยเราต้องดูที่เหตุงันไม่ใช่ไปตำหนิเสียงคล้องอที่เด้ยนเสียงคล้ อ, อ ง, องคนที่นตื่นสายก็ไม่พอใจใช่ไหมอ้าว หมอก็นอนรลับไปชีบา้าตนะีว่าเถิดข้องเวลาท่านว่าระอองฝนไม่พอใจสำหรับคนขี้หนาวแสงแดดไม่พอใจคนขี้ร้อนคนนอนตื่นสายไม่พอใจคนที่ปลุกให้ตื่นบางทีแม่ปลุกลูกข้างเฮ้่งฮ้เพราะเป็นเสียใช่ไหม นอนตื่นสายไม่พอใจกับกันพ่อแม่ปลุกให้ตื่นนี่เสียงของเชยก็พอใจไม่พอใจแล้วตอนไดที่เรานอนเราหมดเรื่องหมดแรงแล้วพอได้ยินเสียงของโอ้ยขึ้นใจขอบคุณแต่วางคนไม่ขอบคุณนะตีจังไรไว้ก็เราเดืยวยหมอก็โดนอ่อนอ่าอย่างนี้เราเห็นมันเราเห็นมันมันขางไป ตาเห็นโลกหูดีเห็นเสียงจมูกได้กลิ่นเล่นรถกายสัมปันจิใจคิดนึกมันเป็นอาการต่อกันไปบางทีเราก็วิ่งไปตามอาการนั้นอาการเฉยๆก็ไปเอาความผิดความถูกไปเอาความสุขความทุกข์มันก็หลอกหลอล่มเหลวพัวน้าเหลวไม่ใช่ไม่ใช่จัดคนโตตนเราเขาตอวเนี้ย เห็นสมมติในอาการเช่นนั้นว่าดีว่าไม่ดีบัญญัติเอาว่าชอบว่าไม่ชอบอุปทานยึดเอาว่าตัวว่าตนพอเห็นสมมติบัญญัติมันพังทลายนะเหยียบย่ำพึงกับทำลายความรับความกฎความหลงไปเลยทำลายจักรยทิฏฐิวิจิจฉาสีรุปตาปรมาทัหลงตาอยากจะบอกว่านี่แหละปัทโทธรรมเปิดออกได้ เปิดออกได้เลยเข้าไปสูทำต่างสร้างงามเลยเราเห็นชาวบนเนี่ยมือถอนออกลื้อถอนออกงั้นเราเห็นลื้อบ้านลื้อบ้านเขาลื้อตรงไหนตรงลื้อตรงแปรมันพอลื้อไปลื้อไปเห็นเชี่ยวเห็นนั้นนี้ติดตรงนั้นตรงตรงนี้ลื้อออกลื้อออกโลกโอกอะไรมันติดมันไม่ต้องเรียนมันสอนเราการลื้อบ้านก็ดีการสร้างบ้านก็ดี เหลือนก็ดีคำว่าเลียนอะแต่ว่าสายสานว่าเลียดภาษาไทยแล้วว่าเลียนเหนือนก็เลยต่างกันแน่นอยคำว่าเลียนเนี่ยมันบอกเราเรียนรู้มันบอกเราเช่นจะยกว่านเอาอะไรขึ้นก่อนมันก็บอกคนหลมเสาต้องตีคานบางตรงรีคอเสาใสายคือ ใจจรนงทันมันบอกไม่ใช่ไปทําหลังคาก่อนนะใช่ต้องเวลาเลือกกเหมือนกันอานุโลมปฏิโลมในปฏิจจสมุปาติได้ว่าอานุลมปติลมอันหนึ่งไปอันหนึ่งเลือกอวิชามันไปอวิชาสังขารเวญญานามรูกไปจะได้ปัสสาะพิจนาตนญหอุปทานภพชาติชลามรณะมันเกิดมาจากโน่นอนชลามรณะเนี่ย วิชาวิชาเปิดสังขารดับน้ำดับโรคดับดับไปเลื่อบ้านน้องฮุดเลยนะใจะจะว่าเราความโรคความโกรธความร้น่ะชว่ืดจางไปเลยนะสักยะทิฏฐิวิจิจิชาสีรัปตาปราบาทเลยอ้ามันจะยากอะไรนะมันเลือไปจากในล้วบ่อยปะเนี่ยถือว่าการเปลี่ยนแปลงของชีวิตตรงนี้ได้เหมือนกัน แต่ระวังนะตรงนี้มันจะเป็นจินตยานเป็นวิปัจจโนมันตกแหลงความรู้ตกแหลงความรู้นะมันมีแหลงความรู้เหมืงกันนะมีแหลงความหลงมีแหลงความรู้มีแหลงความหลงแหลงความรู้ทำให้หลงหนาอันนั่นก็รู้นี่ก็รู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้นั่งรู้เดินรู้ เลยไม่ได้ทําความเพียร เ, เดินังกรมม่ตแต่เทศศาสนาสังสอนนั่นนั่นก็โอ้ยไม่เคยได้ยินไม่เคยมีใครมาบอกนอาจะพูดอย่างนี้ไหมพูดเป็นวิปัสโนไปเลยนะเสียเวลาเป็นสุขก็เป็นสุขมีปัญญาก็มีปัญญาแต่ไม่ปัญญาแบบไม่ใช่แบบทําลายกิเลสมีปัญญาแบบรู้ลบทั้งหมดเลยไม่ใช่อันนันไม่ใช่ ให้กับบาหลวงพ่อเทียนบอกว่าจะเป็นผู้ลูกให้เห็นมันลูกเนี่ยยอดเยี่ยมเลยเราจึงบอกไว้เลขวางหน้าว้เลยไม่มีไม่เป็นอะไรกําอะไรมันสุขก็ไม่เป็นผู้สุขมันทุกข์ก็ไม่เป็นผู้ทุกข์มันลูกก็ไม่เป็นผู้ลูกมันหลงก็ไม่เป็นผู้หลงบอกไว้เลยหลวงตาบอกไว้เลยเพราะการสอนทำตัวเนี่ยไม่ต้องสอบปรนเพราะ เป็นการบอกกันอย่างละเอียดอยู่แล้วมันหลงเห็นมันหลงเนี่ยมันผิดก็เห็นมันผิดเนี่ยมันถูกก็เห็นมันถูกเนี่ยนี่แหละมรรคอหลวงพ่อเทือนบอกว่าให้เห็นมันมันสุขมันรู้มีปัญญาอย่าหลงมันจะกลายเป็นวิปัสโนเสียเวลาแล้วมันจืดแล้วมันก็มาตั้งต้นใหม่ไม่ได้กลับมาเห็นต่างๆรู้สึกต่างๆครับ เห็นมันสุกเห็นมันทุกข์ไปแล้วก็ปลุกความเพียรไปอีกมีสติไปอีกมันก็เห็นช่องทางมันก็มีอะไรที่มันแตกต่างกันกว่าเดิมจิตใจมันก็เปลี่ยนแปลงไปจนทั้าทายเลยว่าต่อไปนี้อันความสุขความทุกข์ที่เกิดกิดไปยกับใจจะไม่มีอีกเลยความสุขที่เกิดเกิดไปความสุขที่เกิดจากใจจะไม่มีแล้ว ความทุกข์ที่เกิดจากกายความทุกข์ที่เกิดจากใจจะไม่ต้องเมีต่อไปในะจะมีจีพภพจิตชาติไม่ต้องกลัวเรื่องนี้เลยเหมือนกับปิติอิ่ม อ, อกอิม่มใยเหมือนกับเรานะทำอะไรได้สำเร็จต่างก็มีความภูมิใจก็ทยกก็ผู้ใหญ่สวนอ้อมร้อยปลูกอ้อยสองร้อ ย, ส, ออยสามร้อยไร่สำเร็จเลย ทำนาสำเร็จลอยแล้วก็ร้องเพลงไต่คนาไดา้แมนบ่พอที่ยกไปให้ร้องเพลงบ่ฝนกระร้องเพงลงอ่ะร้องเพลงไต่คันนาเสกบ่ร้องช้าตะวันเย็นเจินแมนบ่อนตกเขียดร้องโตนาข้าวเขียวงาไม่มีความสุขเหมือนกันนะ อ้อนตาเป็นชาวนาร้อยเปเซนในความสำเร็จในการทำนามากแต่ว่าไม่มีใครสู้ได้หรปล่าไการทำนาการทำงานนึ่ไม่กลัวเคยเป็นหน่งตีข้าวนวดข้าวคืนเดียวเสร็จนาสองที่ฮะตีข้าวตลอดรุ่งเลยพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทธโธบ่เนไปนะ พุทโทพุดธโทเนี่ยอันไว้ไปทิ้งไว้ทิ้งไปเพินไปเปินไ ป, ป, น ไ, ปไม่นอนเลยเออขึ้นมากวดกุ้งเข้าอยู่กู้เท่าในบ้านสาแต้ไปหาแม้นพู้ด่าตีเขาเนี่ยเมืนบิดขึ้นเหมือสอดแจงนะ่ะไปพูดจังด๋นผมหลับพยัยวะแม่นแม้นมันพูดจังด๋อ <c> ย <oughs> ล ะ, ยยละก็ผมนี่แหละวผมจิเฝ้าไปตีเขา แป่งเงินหนึ่งหน้ายังมีอีกครึ่งหนึ่งไปเข้าเสร็จรล้วเลาเขามาบ้ามาบอกเป็นสวดพระญวนหาเกียนไปทุกเข้าขึ้นช้างมาเป็นเราวะไม่มีใครเชื่อหรอกหือเลาหลงไปนาแปลงเงินอันนี้ไม่มีความสําเร็จยังบางที่มันมันก็มั่นใจนะอาชีพอะไรก็มั่นใจการปฏิวัติทํายิ่งสําเร็จกว่านั้นทันทีมันหลงก็รู้ได้มันหลงรู้ได้ ทำไมจะไม่ลื่นไปได้เลยสักยญาติทิเนี่ยถือกายเป็นตัวเป็นตนมันจะยากขนาดไหนทําไมไปร่องให้เพรอกายทําไมไปแย่พราะกายทําไมไปเจ็บพอกา ย, าป เ, กกายเป็นอาการของเขาเรียว่าสักยญาติิถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียไดย้มันจะยากไหมไม่ไมีความสามารถทุกคน เช้นผมบังภูเขาว่าแต่ดูดีๆมีสติดีๆนะมันจะเกิดอะไรไม่ต้องไปอ้อนวอนขอร้องคือจะกังกระทรเวลาใดัรรล้ก็รู้ไปแล้วมันหลงลก็หลงไปไม่ใช่เป็นตัวรู้ทั้งหมดความรความกลัความหลงจะอยู่ที่ไหนกะทุกกะเทินไป กิเลสตัณหาล่ะก็กระทบกันเลยเหมือนกับแต่ก่อนมันโน้มมันหมุนปิดมันติดไปวันนี้มันเคลียร์ออกไม่ติดเวลาจะให้มันดึงมันไม่ดึงล่ะมันขาดเรามันขาดเอาอย่าให้มันแน่นเหมือนไม่แน่นจะดึงลากไปให้ความรักมันหลุดจะดึงไปในความชังมันก็หลุดจะดึงไปในความโกรธมันหลุดจะดึงไปในความออะไรต่างๆกิเลสตามันหลุดออกมันใช่ไม่ได้ มันใช่มาได้จะให้รักมันก็ใช่มาได้จะให้โกรธมันก็ใช่มาได้จะให้สศกมันก็ใช่มาได้มันเอาน็อตออกแล้วใช่ไหมรอ้จากน็อตไหมมันขันอะไะขันทุกอย่างให้เป็นอันเดียวกันใช่ความโกรธใช่ได้บางคนทําตามความโกรธสาเร็จความทุกข์ใช่ได้ทําตามความทุกข์สำเร็จจนฆ่าตัวตายฆ่าคนอื่นตายมันติด กูเป็นคนโกรธกูเป็นคนรักกูได้โกรธกูได้ชอบกูไม่ชอบมันติดตอนนี้มันไม่มีมันถอนออกมามันมันเปิดเตียวมหมุนมนอดออกแต่มไม่รูปอยู่กระทบกระทือนไปขันหน้าเป็นประมาทขันหน้าคือรูปไปถนังาสัญญาสังขารพิยานในกองขันหน้ากองนะี่ยโอ้ยมันแบบเป็นพวามคิดเฉย มันเป็นความยึดเฉยๆแต่งขัดหนาไม่ใช่ตัวเฉยตนเราไปยึดด้ว่า่าหน้าคือรูปคือเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวเป็นตนอุปทานอุปทานยึดได้อย่างที่เรามาสวดพิสูตรธรรมะว่าโดยย่ออุปทานขัดหน้าเป็นตัวทุกข์สวดให้ฟังสักหน่อยได้ไหม ว่าโดยย่อ อ, อบไวยธานขันตั้งาเป็นตัวทุกข์เสรก็เหยียทีทางได้เจอจิงเหล่านี้คือรูปังอานิจังรูปไม่เที่ยงวาไปาดูสิอันเบิ <ış> ไม่เที่ยงไอ้นาไม่เที่ยงสัญญย่าไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เทียเท่ยงตามลงไปอีกรูปไม่ใช่ตัวตน เป็นามไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนตักร่องแรงๆได้ยินไหมสิ่งใดเป็นเที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนควรหรือที่จะประยึดว่าเป็นตัวเป็นตเนเราเสียเวลาลรผิดพลาดตัวนี้แทนที่จะมีประโยชน์ถือโทษเห็นภยัยกลายเป็นเอาขงจับมาผลหัวตัวเอง อโล่ล่ อ, องห้ยพระอุ ป, าปทานพระอุปทานลื้อถอนอุปทานในขันออกแล้วก็เป็นกองขันห้านี่ยขันหลังให้กันอันคนหน้าคนก็ไปพอไปแล้วเฮ้ยก็หยุดทำเป็นแต่ธรรมชาติของขั น, ข, นขอบคุณขันที่มัน เป็นรูปรูปก็คือดุนคือก้อนคือมหาพุทธรูปเอามาละความชั่วามาทำความดีเอามาทำจิตใจให้บริสุทธิ์นี่เป็นรูปดามก็ย้อนมาอย่ามาขอบคุณนอะที่พ่อแม่ให้เรากำเนิดเกิดมาเป็นรูปเป็นนามนี่ถ้าเราไม่มีรูปดามเราทำอะไรไม่ได้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 มันเป็นอย่างนี้นะใช่ไหมเอาเช่แบบว่าไอ้กูจะมาถูกประยักแต่เกิดบ้ า, จานจังใดไม่ใช่ไม่มาวาระโดกตกโทษ อ, อะไรเลยไม่ใช่นะมันอยู่ที่เราแล้วนี่แหละมนุษย์มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเพราะทำเรื่องนี้นะนี่เราจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจําเป็นเหมือนกันต้องแก่ต้องเจ็บ ต, ต้องตายเป็นนักโทษที่ตัดสินประหารแล้วคีวิตเราเนะ ต้องไปทางนั่นหรื อ, อไม่แก่ไม่เจ็บ ไ, ไม่ตายมีอยู่มองตรงกันข้ามาเน่เหมือนพระจิตรธรระเห็นการเกิดเจ็บเจ็บตายศึกษาเรณ่นี้จนได้สำเร็จมาบอกมาสอนพวกเราทุกวนันนี้เกิดปริัททั้งสี่ในวัดวารามลองว่าจากให้วัดเป็นยังไง อยากได้พระเป็นจากรยอ์อยากให้วัดเป็นยังไงอยากให้วัดเป็นวิกเหรือก็า อ, อยากให้วัดเป็นผมพากันมาตัดตอนไม้ที่งหมดสร้างวิกเอาหนังเอาหม้อล้อมมาล้อมเจ็บเงินผ่านประตูเอาบ่อพ่อเปรมสุดวกสนานดี อ, อาจารยเคยไปอยู่้านผ้าไผ่หวานปีแรก5 1อบเก้า อะไรก็ไม่ขอเสือเขามานอนก็ไม่เห็นเมลไรก็เลยถามโยมมาประชมุมกันโยมอยากให้วัดเป็นยังไงอยากให้ พ, ะพะงงนะะระเป็นพระอย่างไงถามชาวบ้านนะพอเปลี่ยนมม่เป็นทายกคยังก่นมากหลายหลายสิบปีแล้ว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 ที่เราเมายากันการพนันอยู่ในวัดเนี่ยเต็มไปเบิดแผ่นบ่นนนลงไพ่ไฮโลเต็มวัดไปเลยไอยู่ยใหม่ขนขวดเหล้าไปฝังไว้เป็นวันวันเจ้าแตกมีเวทีมวย อ, อยู่บนศาลานั่นอะอะไรมันไม่ดีกินเหล้าเอายามันดีไหมไม่ดีทะเลาะว่ากันดีไหมไม่ดี เรื่อการพนันดีไหมไม่ดีเราจะให้สอนใหม่ถ้ามันไม่ดีไม่ทำเลยไล้ว ไ, ไหมประกาศเลยล่ะถ้าจยากให้พระมาสอนนะหยุดเล่นการพนันในวัดหยุดกอนเอาโรคมาจินในวัดหยุดไม่ต้องเอามวยมาตีในวัดโทเราก็ทําำ่อยเวทีมวยเอามรกตไปโปะเออ ต่อมาเขาไม่กล้าเอางวยไปตีเอามีมกรกตอยู่นันเต็มไปหมดเลยออกไปนอกวัดไล่ส่งไปตัวนี้ไม่มีเลยเอกินเหล้าในวัดสัญญากันน่ะในปอนปนาออกวรรษาเนี่ยปนากับชาวบ้านต้ใครจินเหล้าในวัดน่ะมเมาเหล้าเห็นนี่ทําไมให้หลวงพ่อลงโทษทํำลงโทษแบบไหนต้องเทียนเลย ในคนคนหนึง่งก็ยิ้มเตะไปยิ้มเตะก็ยิ้มเนาะนทอดกรถินใหม่ๆอ่ะเมาเล่อมาพยืนอยู่หน้าวัดขี้มาใส่หลงตาหลงตากวดว่าสาราอยู่นี่เมาเล่อก็กรถินทอดไปใหม่เอเรียกเขมาว่นานี้มาเนี่ยมานี่ยเรียกเขามาหลงตาเคยบอกไม่ใช่หรือสัญญากันแล้วถ้าเห็นเมาเล่อมาจะต้องถ่มโทษ ต้องตีนะต้องเขียนนะจะให้เขียดไหมแ้ลแต่หลวงพ่อจะเคียนไปเอาไม้เหลียวา่าแต่ไม้เหลียวมาเอาไม้เล็กน้อยไม่เอาเอาไม้เหลียวดีกว่าเนี่ยนอนหลงไม่รู้เขียนเลยแต่ก่อนนี่ทำไมเป็นนี่วะต่งางๆเออนี่มันก็กเขียนใครหรอกเดยวก่อนมันกล้านะเคียนพ่อใเลีงเนี่ยใช่นะเอาเขียนแล้วก็อะ โอ้ยอย่มันหลายเขาต้มเลยมันหลายอเอาผ้ามาใสเอาไปให้แยงเชาวบ้าน ก, ก็ยินนะให้ห่อเขาตุ้มไปเดี๋ยวนี้ไม่กล้าเคลื่อนใครเลยอย่เงี้ยบอกก็ไม่กล้าบอกแล้วนั่นก็สมัยก่อนมันมันก็เป็นหน่มเนาะเพราะเราเนี่ยให้อยากให้วัดเป็นไงพวกเราอยากให้พระเป็นไงอ่ะจะต้องมาทํายังไงเกี่ยวกัพระเนี้ย ยอย า, ากให้วัดเป็นงไงสาหรับหลวงตาอยากให้วัดเป็นอย่างนี้อยากให้พระเป็นอย่างนี้อยากทำวัดเจ้าทำวันเจนนทาว่าเจ้าทำวัดเย็นแล้วจะได้มีคนมานั่งอย่างนี้จะได้สอนอย่างนี้จึงจะคุ้มกับข้าวถูกน้ําแจงของชาวบา้านมันผิดหรือมันถูกอยากให้เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้มา